พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19เมษายน2555มีชื่อเรื่องว่าวัดนี้เป็นของทุกคนพระ36สิมเด็จสองเป็นเด่นของวังน้อย เป็นเน้นเนี่ยะได้ถิ่นเราน่ยนะไปเรียนหนังสือนากสองนากก็คือว่าถ้าพร้อมแล้วก็ บ, บวชเตรียมตัวแล้วนัก น, นะเอาไว้นานบ่ได้คูบาบินทบาทเรี่ยงยากว่ะเฝ้าบวชไพ่าบาทไพาไพ่าบาทมันหลดเลี่ยงเจ้าของแต่ตามไม่จริง ครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านจะให้เป็นตะพะขาวอยู่อย่างน้อยปีสองสามปีนะสมัยนั้นก็ภารกิจธุระของคนก็มีแต่ตั้งใจอยากจะบวชอย่างเดียวเพราะเสียสละแล้วอยากจะบวชครูบาอาจารย์ก็ต้องฝึกหัดดัดนิสัยให้เป็นพระซะก่อน กิริยามารยาททุกอย่างเป็นที่ยอมรับเอสาหังเอสาหังกระท่องอยากในสมัยก่อนคนไม่ได้นังสื อ, อต้องท่องด้วยปากปากเปล่าสอนกันอย่างน้อยก็สามเดือนละ่ะจึงจะได้บวชถ้ามากกว่านั้นบางองค์ก็ถึงสามปีเป็นทะขาวติดสอยห้อยตามพระเถระผู้ใหญ่จะค่อยได้บวชพอบวชเข้ามาแล้วเกิดเนี่ย อยู่ในพัฒาศาสนาอยู่โยงคงกับพันเลยท่นเนี่ยเพระได้ฝึกหัดดัดนิสัยมาแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ไว้เนื้อเชื่อใจว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแน่พระได้ฝึกได้ซ้อมได้บอกได้กล่าวได้แนะได้นำสั่งสอนได้เห็นมาตลอดนี่แหละครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นตาของพวกเรารุ่นหลุงปู่ของพวกเราน่ยลักษณะอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ เขาเข้าเศรษฐกิจมันบีบรัดพอเขามาแล้วก็บางคนก็บวชบวชบวชผมมีเวลา7วันหลวงพ่อไม่บวชให้นะเพรเหตุไรเพราะว่าเอสาหังก็ยังไม่ได้่าไปจับบวชได้ยังไง7วันไม่เอาอย่างน้อยก็ต้องเดือนหนึ่งมาอยู่วัดสักหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อยต้องเอสาหังพอเอสาหังจบแล้วจงค่อยว่ากันถ้าเอสาหังยังไม่จบ พระพี่เลี้ยงยังดูแลยังไม่จบยังไม่ถูกอักขระพูดยังไม่ได้ท่องยังไม่ได้ไม่ให้บวชหลวงพ่อเอาอย่างนั้นนะในวัดของหลวงพ่อเลวาะเราจะไปจับบวชเอาง่ายๆไม่ได้บวดเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าของการบวชอีกบวชเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเยียเพราะมันปวดลุกลี้ลุกลน แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนากับเป็นโทษอีกต่างหากเน่พอสึกออกไปแล้พระอยู่ในวัดไม่รู้ทําอะไรไม่มีอะไรทําเด่นเด่นด้นดานๆงงๆงานอยู่ไม่เห็นทําอะไรคือในความในใจเขาพอเข้าม า, าจะเห็นพระทํางานเอขุดดินฟันไม้อะไรลักษณะอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าชีวิตของพระเนี่ยคือทําอะไร ประวันของพระพระพุทธเจ้าให้ทําอะไรจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญอยู่ในป่าเนี่ยท่านทําอะไรท่านถือปากกาท่านถือจอบถือเสียมไปด้วยถือเครื่องไม้เครื่องมือไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะมีแต่ไปนนั่งหลับตาหาหมุมสงบนั่งหลับตาแล้วดูใจของตนเองใจเราคิดเรื่องอะไรในวันนี้มันกระเพื่อมไปทางไหน ใจของเรานี่หลักของพุทธศาสนานี่พวกเราเข้ามาใหม่ใหม่เข้ามาแลยก็ว้าเหวอ้างว้าเงียบเผาเศร้าซึมคิดถึงบ้านแต่ทำไมมันอยู่อย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้กินก็ไม่เหมือนเกา่านอนก็ไม่เหมือนเกา่าหมู่เพื่อนก็ไม่เหมือนเกา่าพอถึงเวลาศึกออกไปเลยไปด่าพระอีกตั้งที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยแหละคนที่บวชลุกลี้ลุกลนมันจะเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นสรุปแล้ว ถ้าว่าบวช ด, ด้วยความจงใจตั้งใจไม่เดือดไม่ร้อนใจนะบวชแล้วก็สังเกตไปด้วยภาวนาไปด้วยหลักกฎหลักเกณฑ์ไปด้วยฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ไปด้วยศึกษาธรรมะไปด้วยผลที่สุดจะรู้จากเออพราะพุทธศาสนาเนี่เป็นแนวหนึ่งมันไม่เหมือนทางโลกเขาทางโลกเขาต้องเขาเราจะไปทำงานอะไรเขาต้องเตรียมอันนั้นแต่นี่พุทธศาสนาเนี่ท่านให้ภาวนาดูใจ ดูใจความนึกคิดของตนเองเนั่นะจะทำยังไงจิตใจจึงจะเป็นสมาธิดูจิตดูใจของเราเนี่ยนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้ย้อนเข้ามาหาตัวเองฮ่ะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่วัดของเรา ก็ได้พูดกันมานานวันนี้ก็เห็นโยมที่ดินทั้งสองอำเภอเข้ามาที่วัดของเราจะมาพูดเกี่ยวกับที่ดินเพื่อจะออกโฉนดแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็เคยพูดนะแต่พลวงพ่อไม่ใช่เอาข้างเขาถูแล้วไม่ไม่ใช่แข็งกระด้างและเอาเหตุผลมาพูดกันแต่ตามไม่จริงถ้าทุกคนมายอมเหตุผลกันก็ไม่มีปัญหา เราะวัดวาศาสานาวัดของเราเนี่ยมีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วนอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ก่อนลุงพ่อมาอยู่ก็อยู่ในเขตป่าสงวนะป่าสงวนเนี่ยเขาก็ประกาศคนมาอยู่ก่อนแล้วก็ยังป่ากประกาศป่าสงวนค้อบมาเขาก็ยังไม่ได้แยกออกสมัยนั้นว่าชาวบ้านควรจะคองยังไงป่าสงวนอยู่ในเขตไหนแต่ประกาศครอมทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาคงไม่มีเวลาที่จะมา เครื่องไม้เครื่องมือทุนก็คงจะไม่มีสมัยนั้นนะแต่นี่คนก็อยู่อยู่ก็มากนนะันต่อมาก็ประกาศเป็นเขตสปกส4ขีดโซนหนึ่งก็มาแบ่งแยกให้แก่ชาวบ้านแต่หลวงพ่อก็ได้เช่าที่ดินป่าสงวนตั้งแต่เริ่มแรกเพราะจากจะให้มันถูกต้องตามกฎหมายเท่าแสวนี่ไม่มีหรอกชาวบ้านเขาไม่มีการเช่ามีแต่วัดเท่านนะั้น ถ้าวัดผิดกฎหมายซะเองวัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่ชาวบ้านแล้ววัดมาผิดกฎหมายซะเองมันดูมันก็ไม่ถูกต้องทางวัดก็เลยพยายามขนขวายวัดต่างๆแต่ขออนุญาตผู้ใหญ่ บ, บ้านกำนันถึงนายอำเภอสมัยนั้นก็เอเล็กอะไรศึกษาธิการอำเภอเ ป, เป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่มีสำนักพุทธสมัยนั้นเราก็พยายามขออนุญาตวัดป่านาคําน้อยของเรานี่อาจจะเป็นวัดแรกที่ขออนุญาตได้ในจังหวัดอุดรสมัยนั้นเป็นท่านผู้ว่าสายสิทธิ์พอนแก้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าอ่านดูในตำราเนี่ยก็คงจะรู้อย่างที่หลวงพ่อพูดนะจากนั้นก็ขออนุญาตเช่าป่าสงวนได้สิ้าไร่จากนั้นก็ขออนุญาตใช้ พื้นที่สร้างวัดได้15ไร่จากนั้นก็ขอเช่าป่าสงวนอย่างนั้นก็ได้ทําสร้างกําแพงล้อมรอบเนื้อที่ทั้งหมดพันกว่าไร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ไดเห็นหลวงตาก็ได้ให้ทนมาเราก็ได้สร้างวัดกันในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มันเป็นของข่ายแตว่าเป็นของหลวงพ่ออินมันก็คิดสั้นเกินไป ถ้าว่าเป็นของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินหรือขายที่ดินบางเอาวัดเอาไปจำนองจำนำเขาได้อย่างงั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่ทําไมจงว่าของหลวงพ่ออินล่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นของนายกที่ดินของนายกนอสสามกของนายกนายขอเนี่ยโฉนดของนายกนายขอเนี่ยก็เป็นของคนนั้นใช่ไหมใช่แต่ของหลวงพ่ออินเนี่ยทำไมไม่ใช่เพราะหลวงพ่ออินเป็นพระอยู่ในวัดวัดเนี่เป็นของใคร เป็นของกรมการศาสนากรมการศาสนาเป็นของใครเป็นของรัฐบาลจะรุปแล้วก็คือกรมป่าไม้ก็ดีกรมตำรวจก็ดีกรมการศาสนาก็ดีที่เป็นรัฐบาลก็ เ, เป็นของรัฐบาลทั้งนั้นก็ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรถ้าคิดดูให้กว้างขวางแล้วคือกรมป่าไม้ให้กรมการศาสนาซะ กรมการศาสนากับเพื่อรักษาไว้กับเพื่องเป็นของประเทศชาติอีกอย่างเก่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช่ว่านี่ยคือหลวงพ่อมาเป็นผู้รักษาตนเองออกจากนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปที่ไหนอีกอยเพื่อเพื่ออาจารยังไม่ตายหนีไปที่อื่นก็ได้ใครจะรับรองได้ว่าจะอยู่โชคฟ้าดินสลายไม่ใช่นะตายเนะ่ยแน่นอนแล้วละ่ะแต่ว่าเรื่องการหนีอีกยังไม่แน่นอนอีกเหมือนกันเพราะฉะ น, นั้นในขณะที่อยู่กับบริหารจัดการไป ดูแลไปเพราะเป็นของที่ดินของพศา ส, สนาองค์การศาสนานี่แหละคือถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากสิ่งไหนพอจะเป็นได้แล้วก็หยวนกันจบๆไปและที่นี่ที่ดินแปลงนี้ที่แรกเรามาอยู่ก่อนใครอื่นใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะขนันธสทายญาติโยมโลูกหลานนะในวัดของพวกเราเนี่ยยังมีเฟื่ององค์ กระเบื้องแตกเห็นเกลือนไปหมดแสดงว่าคนโบราณมาอยู่ก่อนพวกเราแล้วนะแต่ไม่รู้รุ่นไหนละแต่ละพวกเราก็เดาเอาว่าเมื่อห0ร้อยปีให้หลังเจ้าชายเศษฐาอะไรๆนี่ปกครองสมัยนั้นเพียงจันเจริญมากในยุคสมัยนั้นอาจจะเป็นยุคเจ้าชายเชษฐาที่เป็นคนจังหวัดทางเชียงใหม่มาแต่งานครับเออ พระบมวงสานวงของเวียงจันท์สมัยนั้นเจ้าเชียงใหม่กับเจ้าเวียงจันทร์ลักษณะย่งัง้นจากนั้นก็มาอยู่ยุคนั้นไปไวเป็นยุคที่เจริญในถินนี้เมื่อหกร้อยปีให้หลังก็เบื้องเฟื่องหายในแต่เห็นในบริเวณวัดของเราเนี่ยพบปัดกวาดไปแล้วก็เห็นโผลขึ้นมาละเออว่าเพื่องหายองคนโบราณแตกเนี่ย แต่เขาจะฝังใหเงินให้ทองไว้ที่ไหนใครนั่งพาวนาหลับตาดูก็ได้อาจจะเจออยู่ก็ได้นะแต่สรุปแลวกคือคนมาอยู่ก่อนแต่ทางหน้าวัดของเราเอยมันก็เป็นเหมือนกระจอมปวกสมัมนั่นน่ะมันเหมือนกระจอมปวกมันเป็นเหมือนก็จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารอะไรก็ใหม่รู้ล่ะอยู่ข้างหน้าวัดแต่นีเพอต่อมากับคนก็ขุดก็ค้นสมัยนั้นก็มันก็หาของดีใช่ไห ขนาดวัดป น, นาคำใหญ่เนี่ยเขาก็ยังไปขุดพระพุทธรูปใหญ่เลยรุ่นเดียวกันนะพระพุทธรูปใหญ่ที่วัดบ้านของเขากับหน้าวัดของเราต่อมา ก, กันนะ่ะพอมาทําถนนที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพวกอาจารย์เฉลิมพ่อคนนี่ก็คงจะเห็นอยู่มั้งที่เป็นโนนะ่หน้าพ่อเฟื้อนะ่ะหน้าพ่อหนูนะ่ะมาจับจองตรงหน้าวัดน่ะ พอจานั้นเขาก็ตัดถนนมาผ่านพราตัดถนนมาผ่านเขาก็มีแม็กโคใช่ไหมล่อแม็กโคเขาก็เอเห็นจอมปลวกขนาดนี้แหละวัตถุโบราณเขาก็ว่ากั้นนะใครจะไปห้ามเขาเถแม็กโคพวกหนุ่มทั้งหลายเขาก็แม็กโคเขาไปตุ้ยเลยว่าขุดไปขุดมาเขี่ยวไปเกี่ยวมากระจุยกระจายหมดนะเขาหาของดีฮหหาพระพุทธรูปหาของของังแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นเราไม่รู้เหมือนกันแต่คนโบราณเขาว่ามี <eri> แล้วกันเนทางทิศเหนือของหมู่บ้านไปนะนาพ่อเวียง ing, น่ะนาตู่เวียงมีพระพุทธรูปได้ไป็นลูกกี่องค์ตามจอมปลวกลักษณะตรงนั Reason? ้นก็เป็นวัดอีกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นวัดนแต่สรุปแล้วก็คือในริมรางลักษณะริมรางเหมือนกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือในถิศนี้ก็มีวัดวาศาสนาขึ้นมาเหมือนกันนั่นเกิดจาว่าเป็นวัดเก่าใช่ทุกคนไม่ปฏิเสธเลยหลวงพ่อก็ได้เห็นเอ่ ถ้าจะค้นหาไดมาได้ตรงนี้ก็พอเขาขุดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมอย่างนั้นหลวงพ่อก็เอาดินรถสิบลอ้อมาก็มาถมอีกเป็นที่จอดรถให้มันเรียบราบเขาปับอีกมันก็อยู่ในนั้นอยู่ในพื้นดินนั่นนะ่ะเศษอิเนี่ยขุดลงไปก็คงจะเจอนั่นนะ่ะแล้วเจอแล้วได้อะไรทันแน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคนใครเลยเป็นคนลงทุนเอาแมคโครมาเจาะเนี่ย เอาขนาดนั้นเชื่อเหรอหลักฐานฮะแต่ตามให่จริงอ่น่าจะเชื่อฟังผู้เท่าผู้แกผู้ที่มาพบมาเห็นมาเจอก่อนก็น่าจะฟังฟังกันหลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อไม่ปฏิเสธเห็นจริงจรออแต่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วพอมันพังลงไปแล้วเหมือนกระจอมปวกมันก็เป็นลักษณะบวถเกา่าแต่คน บ, บวโบราณเขาก็บอกว่ามีต้นมะเฟืองใหญ่มีต้นมะม่วง อยู่ในถิ่นนี้อยู่ ใ, ใกล้เนี่ยเขาเรียกบ้านนี่ขเขเรียกบ้านห้วยไผ่แต่ออกมาตูขาเนี่ยเป็นคนมาสร้างบ้านนาคําน้อยย้ายมาจากนาคําใหญ่เพราะน้ํามันท่วมสมัยนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของท้องถิน่นแต่สรุปแล้วก็คือวัดของเราเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็กําแพงล้อมรอบกําแพงล้อมรอบหลวงตามหาบัวท่านอยู่ใน วัดป่าบ้านตาท่านก็มาเยี่ยมหลวงพอ่อมาดูวัดลูกศิษย์ลูกหาอยู่ยังไงคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะหลวงตามีเมตตามากอยู่แล้วเนี่ยท่านก็มาดูหลายๆครั้งพอมาดูครั้งที่ท่านอนุ ญ, ญาตเห็นท่านมาดูครั้งหนึ่งไม่เห็นหลวงพอ่อฮหลวงพ่อไม่อยู่วัดพอมาครั้งที่สองอีกหลวงพ่อก็ไม่อยู่วัดอีกพอมาครั้งที่สามหลวงพ่อก็ไม่อยู่วัดอีกหลวงตาก็ขู่แล้วเอทําอินเนี่ยมันเป็นยังไงวะ เรามาเป็นครั้งที่สามแล้วนะี่ยทําอินไม่อยู่วัดทั้งสามครั้งแต่ตามไม่จริงไอ้เวลาเราอยู่ท่านปฏิไม่มามเวลาเราหนีไปท่านก็มาวันที่เราไม่อยู่นะั่นนะแต่ตามไม่จริงเราก็อยู่วัดตลอดอยู่งั้นแต่ทีนี้ท่านก็ขู่นะทําไมวะมาสามครั้งเลยไม่เจอทําอินชัจกจะเป็นนักธุรกิจธุรการไปแล้วนะทําอินนะนะท่านลักษณะนี้นะอพอมาถึงเนี่ยโอ้โหเราก็จะรุ้งหยงเหมือนกันอนะบอกทําอินไปหานะโอ้ ไปหา เ, ออร เ, รปเรื่องอะไรนาอเนี่ยแล้วก็รีบไปเลยนะพอเข้าไปก็ไปกุฏิของท่านนะลงตาลงตายทำอินเราไปถึงสามครั้งนะไม่เจอทำไมออกนอกวัดบ่อยนักเนะี่ยไปเที่ยวไปติดต่ออะไรเนะี่ยพระกรรมฐานออกนอกวัดบ่อยมันไม่ถูกนะไม่ดีนะไปก็ต้องมีอะไรธุระจำเป็นเนี่ยไปสุมสีุ่มหา้าไปยังไง เราไปถึงสามครั้งแล้วเราไปก็มีจุดประสงค์ว่าเนี่ยไปเห็นวัดของท่านเนื้อที่ก็กว้างขวางดูก็มีต้นไม้ใหญ่เราพิจารณาดูแล้วว่าท้าว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าสมพานเป็นที่ยอมรับของผู้คนในท้องถิ่นก็ไม่มีปัญหาคนท้องถิ่นให้ความเคารพยัเกรงแต่ถ้าว่าสมพานต่อไปนะ่อยู่นะ่ ไปไม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านชาวบ้านเขาขครับคล้ายๆกับว่าเขาไม่เกรงอันดับแรกเขาก็จะมายิงสัตว์ก่อนอยิงพวกสัตว์ในวัดเพราะมันเป็นป่าดงกันในสัตว์ต้องเยอะเนี่ยพอมายิงสัตว์เเนพระก็าะําคาญนะเพราะลาคาญพระก็อยู่ไม่ได้ร่อยรออนผลที่สุดก็มาตัดไม้ฮเขาจอยากจะได้เคือเขาเถาวันเถาวัลยอะไรเขาก็มาเอาพระก็อยู่ไม่ได้กับเพนนี้พอเนพนเ น, นี้นั่นน่ะ ก็จะแย่งที่ดินแล้วแต่ไหนวัดกว้างต่อกว้างเนี่ยเกิดคนนั้นเอาข้างนี้คนนี้เอาข้างนั้นเข้ามาวัดจะหมดโดยปริยายนี่แหละที่เรามองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสร้างกำแพงซะกำแพงล้อมรอบให้เป็นสัดส่วนจะเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านา น, านจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉนั้นเราจึงท้าหว่าจะสร้างกำแพงเราก็จะหาทุนให้เอาไ้ยจะสร้างไหมอ่า ว่าต่อไปภายภาคหน้าก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเดี๋ยวนี้ก็อย่างว่านะี่ยพวกสัดว์ทั้งหลายออกไปคนก็ยิงสัตว์นะก็ยังมีอยู่นะทันว่านะเราก็บอกว่าถ้าพ่อแม่กุญาจนเมตตากับผมก็ยินดีกรับผมยินดีทับตามที่พ่อแม่กุญแจนอนุญาตกับผมเมตตากับผมเราห่างว่าแล้วเรื่องทําอินเนี่ย เรื่องการก่อสร้างมันกระโดดใส่เลยแ่าๆท่านก็บดที่เล่นที่จริงไะจากนั้นมาเออไปหาผู้ออกแบบนะ hmm. หาออผู้ออกแบบนะออคือถ้าว่าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราไม่เห็นด้วยนะเราไม่สร้างให้นะเราไม่ทํานะเพราะสร้างโบสถ์ก็ดีไปสร้างทำไมอยู่ในป่าดงพงไพ่สร้างเพื่อประกาศสัคดาโนภาพลุบสัคดาบารมีของตัวเอง อ, อยู่ในป่า ประกาศสักดาบารมีขี้หมาอะไรอท่านว่านะไปสร้างขึ้นมาแล้วกันมีแต่ขังพระพุทธรูปใหญ่ไว้ในโบสถ์เท่านั้นนะกิจกรรมจะได้ทําแต่ละวันน่ยแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยไม่คุ้มค่ากับเงินที่สร้างเอาไว้เป็นเงินเท่าไหร่ถ้าว่าสร้างอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ไม่ว่าไปสร้างอยู่ในป่านในโรงเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะมันไปทําอะไรไปทำไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะ แต่กำแพงเออเราเห็นด้วยพราว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นที่กันเอาไว้ซึ่งที่ดินและจากนั้นก็สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเข้ามาอยู่ในเขตในกำแพงก็อุ่นใจในระดับหนึ่งเพราะเรามาอยู่ในป่าถ้าโจรผู้ร้ายหรือใครก็ตามจะเข้ามานี่ก็ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆถ้าไม่เจตนาร้ายจริงๆก็คงจะไม่ไม่เข้ามาเพราะมีกาแพงล้อมรอบอยู่แล้วแต่่าคนต่อไปคนจะตาหนิอยู่นะว่าทาไม เออทาไมจึงทํากําแพงล้อมรอบเสียเงินเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นไม่ดีเหรอทําไมเอามาล้อมป่าเล่นอย่างนี้คนจะต้องคิดอย่างนั้นต่อไปเมื่อสร้างแต่เราคิดไกลกว่านั้นเราคิดไกลใช่ในยุคนี้สมัยนี้คนก็มองไม่เห็นคุณค่าของป่าแต่เมื่อทํากําแพงล้อมรอบหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากร กำแพงเกินของกำแพงกับทรัพยากรป่าไม้ที่เราล้อมรอบไวนะ้นั้นมันเทียบกันไม่ติดเราคิดอย่างนั้นเราจึงได้ให้ทำเราจึงอนุญาตท่านคิดล่วงหน้าไปก่อนอย่างนั้นนะลงตาท่านพูดขนาดนั้นแนะแต่นั้นมาหลงข้อก็ออให้ดอกเตอร์เยี่ยมชายสัตแก้วที่เป็นร อ, อ, องผู้ว่า รถไฟกทมรถไฟใต้ดินอ่ะมาออกแบบท่านออกแบบให้ออกแบบจะแข็งแรงฮะค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเกิดยี่สิบกว่าล้านสมัยนั้นสมัยนั้นปูนเพียงสามสิบห้าบาทนะถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทเหล็กสี่หุนก็สี่สิบาทนะเหล็กสองหุนสิบหกบาทสมัยนั้นนะแต่ขนาดน่้นก็โหมหมดเงินไปขนาดแต่ทุกวันนี้มันเป็นเท่าไหร่ปูนถุงหนึ่ง ร้อสสิบกว่าบาทนะีเกือบจะสามเท่าตัวทนะางคิดเป็นเงินออกมาแล้วกำแพงของเรานะหลายเงินนะถ้าสร้างเดี๋ยวนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นขององค์หลวงตาที่ท่านเมตตาให้มาแล้วก็สร้างก็ล้อมรอบหมดแล้วล้อมรอบเสร็จแล้วก็มีคนเหมือนกันนะเป็นข้าราชการทางอำเภอมาโอ้หลวงพ่ออินสร้างกำแพงนะี่ยเพื่อเอาเขตเป็นบา ร, รมีของตนเอง เพื่อจะให้คนรู้จักว่าเนี่ยเป็นผู้มีศักดาบา ร, รมีท่านก็พูดพูดลักษณะหลวงพ่อโอ้ไม่ได้หลวงพ่อก็เลยขึ้นป้ายหน้าวัดเนี่ยที่ป้ายขึ้นมาหลวงพ่อเนี่ยเพราะคําพูดของผู้ใหญ่ที่มาในยุคนั้นก็พูดจุดประสงค์คืออะไรที่สร้างวัดนี้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อหลวงพ่ออินนะหลวงพ่อก็บอกอย่างนั้นในป้ายเนี่ยอ่านดูก็ได้จากนั้นก็ เมื่อหลวงพ่อสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกรันเนี่ยการให้ค่าแบบเป็นลักษณะเช่าแล้วอนุญาตใช้ป่าส ง, งวนอนุญาตได้สิบห้าไร่เนี่ยเกิดเป็นโฉนดขึ้นมาคือวัดวิสุขามซิมานี่นี่ยแหละเขตเขตพิสุขามซิมาเนี่ ย, ย, ค, ยคือเป็นโฉนดของวัดอะไรทั้งๆกว้างกว้างสี่สิบยาวแปดสิบเนี่อันนี้เป็นวิสุขามซิมา ศาลาหลังนี้ทําประโยชน์ได้ทุกอย่างจะบวชพระก็ได้ทําสังฆกรรมในพระพุทธศาสนาได้ทุกอย่างศาลาหลังนี้แทนโบสถ์ที่หลังสวยๆงามๆแทนได้ทุกอย่างแต่ว่ารูปร่างไม่เหมือนโบสถ์เท่านั้นเองเป็นศาลาทําประโยชน์ให้มากกว่าโบสถ์เองเพราะศาลาอาเนกประสงค์ฉันอย่างหั้นก็ได้คนมานอนก็ได้ไห้ต่ถุนไหนี่แหละอันนี้ก็คือศาลาอาเนกประสงค์แทนโบสถ์ได้ทุกอย่างที่โบสถ์ที่เราเห็นอยู่ใน ในเมืองที่เขาทำสวยๆงามๆนะ่ะศาลาของเราน่นแทนหลังนั้นได้นะพอได้ได้พระราชทธธานวิสุงคามสีมาแล้วเนี่ยที่หลักวิสุงคามสีมาเนะี่ยอันนี้นะคือหลักถูกต้องตามพระวินัยถูกต้องตาม ก, กฎกติกาของบ้านเมืองนี่นนแหละอันนี้ก็คือบอกกล่าวให้แก่คาทศไทาญาติโยมลูกหลานได้รได้ทราบสรุปแล้วก็คือวัดวาศาสนาไม่ค่อยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด ถ้าว่าผู้ใดคัดข้องก็ต้องคิดคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะขนาดป่าไม้ปิ่นโยมป่าไม้ปิ่นเป็นผู้ใหญ่ในอุอนรานป่าไม้จังหวัดจนคืนขึ้นจะเป็นป่าไม้เขตนะท่านก็นยังมาบวชอยู่ที่นี่สามเดือนเพราะฉะนั้นวัดไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าผู้ใดจะคัดค้านอลูกหลานของคนนั้นผู้นั้นอาจจะมาบวชอยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะมาศึกษาธรรมะอยู่ที่นี่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตา ย, ยายเพราะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของกลางเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของส่วนรวมไม่ไม่ใช่เป็ของหลวงพ่ออินถ้าคิดถึงว่าเป็นของหลวงพ่ออินเนี่ยผลนั้นคิดสั้นเกินไปหลวงพ่อว่านะอย่างประเทศศรีลังกาหลวงพ่อยกให้ฟังตอนพระเขียวแก้วนะที่บรรจุพระเขียวแก้วเป็นพระเจดียดเนื้อที่ประมาณเจ็ดร้อไร่นะตรงนั้นน่ะเขาปลูกไม้ยางไม้ มักคาบป่าดูตะเคียนทองก็ปลูกคร่ากันเขาบอกว่าอายุเจ็ดร้อยกว่าปีเดี๋ยวนี้เป็นมรดกโลกะมันก็ไม่ใช่ของคนหนึ่งพวกนั้นก็ตายไปหมดแล้วอันนี้หลวงพ่ อ, อก็เหมือนกันหลวงพ่อมาปลูกไม้สักดูซิเข้าไปข้างในเป็นแสนต้นอ่ะเปน็นนับดูไอ้หลวงพ่อพูดขึ้นว่าเป็นแสนต้นะเออไปนับดูซิเออหลวงพ่อว่า มากถึงขนาดนั้นอนะ่ะปลูกไปได้กวกี่ครั้งต่อกี่หนเต็มไปหมดไม้สักประดููมั่ค่าตะเคียนทองแล้วหลวงพ่อจะทําอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะโค่นจะปั่มจะขายอะไรถือว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นปอดอา่าเป็นปอดของประเทศเป็นปอดของอําเภอนายูงแต่ทุกวันนี้ก็ค่อยๆยังชั่วขึ้นมาอยู่พี่น้องประชาชนก็ปลูกยางรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นมาม า, มากอําเภอนายูง แต่ก่อนโอ้มีแต่เขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามองไปที่ไหนเขียวชุ่มไปหมดเพราะสวนยางก็เป็นไม้เศรษฐกิจเป็นพันุ์เศรษฐกิจแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้ายางราคาตกขึ้นมาตน้นยางเหล่านี้ก็ต้องล้มอีกเหมือนกันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาอีกไม่ทราบอีกแต่วัดของเราเนี่ยท้าววัดหลวงพ่อตายไปท้าววัสมพานมีความคิดอย่างหลวงพ่อเขาคงจะรักษาไว้อย่างนี้ เป็นเสียแตสมพนันธ์เศรษฐกิจเนี่ยต้นไม้ต้น น, ตนนั้นกับต้นไม้สักต้นนั้นกับเป็นเงินต้นไม้ต้นนั้นกับเป็นเงินเออนั้นก็อนาคตเราก็ไม่ควรจะมาห่วงมาห้ามถ้าเป็นขนาดนั้นเขาบอกเป็นเปรตเฝ้าวัดอีกเหมือนกันไปที่ไหนไม่ได้หลวงพ่อนะี่ยไม่เป็นหรอกอพอตายไปแล้วหลวงพ่อก็จะเดี д, ไปพอหลวงพ่อเหมือนกันไปที่ไหนก็ไปเลยไปตามบารมีของหลวงพ่อไ ด, ได้ได้สั่งสมมาเท่านั้นแหละมไม่คิดว่าจะอยู่ เออลักษา ว, วัดนาคำน้อยนานเท่านานไม่ใช่ขณะที่มีชีวิตยอยู่ก็พยายามดูแลรักษาให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นขคณะสัธทธาญาิโยมลูกหลานที่เกี่ยวข้องที่จะทำที่ดิ น, นโฉนดที่ดินก็ขอให้เนะี่ยได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นนะที่ว่าหลวงพ่อพูดเป็นกลางและเป็นธรรมไม่ได้กระทบกระแทกไม่ได้ทําให้ได้ผู้หนึ่งเดือดร้อน ให้เราทึกถึงว่าอันนี้คือสมบัติของพระพุทธศาสนามาเป็นสมบัติกลางเราควรจะยกให้เพราะที่อื่นเป็นสปล้รอบรอบหมดแล้วอย่างเหลืออยู่จุดเดียวเท่านี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ยกให้พระพุทธศาสนาและจะจบไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ยกให้หลวงพ่อนะถ้าเราบอว่ายกให้หลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะขายวัดคงจะได้หลายล้านอยู่นะ พันกว่าไร่เนี่ยขายพร้อมกำแพงอีต่างหากแต่นี่ลงพอไม่นด้คิดอย่างนั้นถึงยังไงจะรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของพุทธศาสนาใครใครมาเห็นกับภาคภูมิใจไม่ใช่เหร อ, อวัดวาสาสนายังรักษาภูมิทัศนได้ขนาดนี้เป็นปอดของแผ่นดินเป็นที่หายใจของแผ่นดินต้นไม้ยังมีมอุดมสมบูรณ ใครอยากจะมาศึกษาทัตนะศึกษาป่ารงพงศัไธรรมชาติสมัยเก่าแก่ดึกดำบันก็มาดูเข้ามาดูได้มีเทววันมีอะไรสมบูรณ์เหมือนกับป่าเก่าแก่ของเขตอำเภอนายูมถ้าไม่เชื่อก็ถามนี่พวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาวัดสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอตู้ผกบพะตู้ตอนนั้นเออใช่เป็นอย่างนี้แหละเขาจะให้คาตอบนะคนนั้น คณะัาติาญาติโยมโลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้กำกับที่มาเป็นผู้ใหญ่ดูแลทางกฎหมายบ้านเมืองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนะให้ท่านผู้กำกับได้รับรู้รับทราบด้วยนะเออรับพ่อนนะทนี้